เพราะจากบ้านไปนานจะขอกล่าวถึงเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นปีที่ท่านบวชได้ 12, สิบสองพรรษาครั้งนั้นท่านมีความจำเป็นต้องเข้ามาทำธุระที่อุดรธานีหลังจากพักได้ระยะหนึ่งแล้วขณะที่ท่านกำลังจะเข้าไปในตลาด ท่านใดนั้นหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งอายุราวสิบเจ็ดสิบแปดีก็ตรงรี่เข้ามาหาท่านจากนั้นจึงนั่งลงแล้วประนมมือขึ้นและถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่บ่งบอกว่าเป็นคนคุ้นเคยกันมานานแล้วว่าเอาหลวงพี่จะกลับแล้วหรือ ท่านรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยนึกอยู่ในใจว่าใครกันหนอเด็กน้อยนี่ทำไมถึงได้ฉลาดกล้าเข้ามาถามเราในท่ามกลางฝูงชนเช่นนี้หนอจากนั้นท่านก็ตอบด้วยท่าทางเป็นปกติว่ายัง เราเข้าไปธุระในตลาดเฉยๆนางมาจากไหนละ่ะพอถามเช่นนี้เข้าถึงกับทำให้หญิงสาวคนนั้นระเบิดหัวเราะออกมาเสียยกใหญ่เพราะคบขันว่าพี่ชายไปบวชแล้วคงจะจากบ้านไปอยู่ป่าเสียนานจนกระทั่งจำไม่ได้แม้แต่น้องสาวของตัวเอง จึงพูดทั้งที่ยังหัวเราะอยู่นั้นว่าโอ้ยหนอจำไม่ได้กระทั่งน้องสาวนา้อน้องพูดขึ้นเช่นนั้นพร้อมบอกชื่อบอกนามช่วยฟื้นความจำให้ท่านจึงนิ่งคิดอยู่นิดหนึ่งพอระลึกได้เท่านั้น ก็หัวเราะขึ้นเช่นกันโอ๊ยเราก็จำไม่ได้เหตุที่ท่านจะจำน้องสาวคนนี้ไม่ได้ก็เพราะตอนท่านออกบวชน้องสาวอายุได้ห้าขวบเท่านั้นเมื่อท่านจากไปในที่ทางๆานานครั้งถึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้นเมื่อน้องๆโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้ว ท่านเลยไม่สามารถจะจดจำได้ก้าว เ, เดินทางปัญญา เรื่องประกอบครบในช่วงห้าปีที่ติดสมาธิอยู่นั้นท่านกล่าวว่าผลแห่งสมาธิธรรมของท่านในระยะนั้นมีความแน่นหนาพอตัวแล้วถ้าเป็นประเภทอาหารก็เรียกว่ามีทั้งผักทั้งเนื้อราเครื่องปรุงอะไรต่างๆครบหมดแล้ว จะทำเป็นแกงก็ได้หุงต้มก็ได้ทอดก็ได้เป็นแต่เพียงว่าเอามาแช่ไว้เฉยๆยังไม่ยอมแกงเท่านั้นเองเพราะท่านว่ามัวแต่มากินสมาธิว่าเป็นมรรคผลนิพพานมัวมากินผักกินหญ้าด้วยความเข้าใจว่าเป็นแกงตอนเมื่อเริ่มก้าวเดินทางด้านปัญญา จึงเท่ากับเอาอาหารประเภทต่างๆเหล่านั้นมาแกงกินดังนี้พอออกจากสมาธิด้วยอำนาจธรรมอันเผ็ด ร, ร้อนของท่านอาจารย์มั่นเทนเอาอย่างหนักจึงออกพิจารณาพอพิจารณาทางด้านปัญญาก็ไปได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพพร ะ, พะสัมภาระที่จะมาปลูบ้านสร้างเรือนนี้มีพร้อมแล้วเป็นแต่เราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้ จึงต้องพิจารณาตามอย่างที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเข็นเอาพอท่านเข็นเอาเท่านั้นมันก็ออกพอออกเท่านั้นมันก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลส ต, ตัวนั้นได้ตัดกิเลส ต, ตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมาโธเราอยู่ในสมาธิ เรานอนตายอยู่เฉยๆมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรคราวนี้ก็เร่งทางปัญญาใหญ่หมุนติ้วทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีห้ามล้อบ้างเลยแต่ผมนิสัยโลดโผนนะ่ะถ้าไปแง่ไหนมันไปแง่เดียวพอดำเนินทางปัญญาแล้วมันก็มาตามหนิสมาธิว่า มานอนตายอยู่เปล่าๆความจริงสมาธิก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงๆก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิสมาธิว่ามานอนตายอยู่เปล่าๆกี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญา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 แบ่งสู้ถึงตอนนี้เมื่อท่านอาจารย์มั่นใส่ปัญหาให้ท่านได้คบคิดท่านจึงใคร่ครวญดูใหม่พบว่าจึงได้มายับยั้งช่างตัวเวลามันไปเต็มเหนี่ยวของมันแล้วก็ลืมใต้จิต แล้วก็หลงสังขารก็เอาอ น, นันต์เข้ามาพิจารณาย้อนเข้ามาหักเอาไว้เบรกเอาไว้เบรกอย่างแรงเลยเมื่อมันไปเต็มเหนี่ยวแล้วมันเมื่อยมันเพลียแต่จิตไม่ยอมสติปัญญาไม่ถอยรังเอาไว้รังเอาไว้ให้เข้าสู่สมาธิเพื่อความสงบพักงานบีบบังคับให้เข้ามา ให้เข้ามาจนกระทั่งเอาคําบริกรรมพุโทโธมาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธให้มาอยู่กับพุโทโธไม่ให้มันออกไปทํางานนี่มันจะเลยเถิดอีกให้มันรั้งเข้ามาให้มันอยู่กับความสงบคือสมาธิของเรานั่นแหละสมาธิมันเต็มภูมิอยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้เห็นว่าสมาธินี้ เหมือนเรานอนตายว่างั้นเถอะติดสมาธินี้ทีนี้มันก็หมุนสติปัญญาทีนี้มันจะเลยเถอิดอีกรั้งเข้ามาทีนี้เวลาจิตมันเข้าสู่ความสงบนะแนว่วโอโหเหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามสงบเย็นแต่กระนั้นยังต้องบังคับไว้นะ ไม่งั้นมันพุ่งออกทํางานอีกงานมันยังเหนืออันนี้อีกต้องบังคับไว้แต่จับเงื่อนได้ว่าเมื่อเข้าพักสงบแล้วมันมีกําลังวังชาแล้วออกไปทํางานได้เหมือนกับเราทํางานทํางานมามากแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราก็มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับประทานอาหาร เสร็จแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับซะถึงจะเสียเวล่ำเวลาหน้าที่การงานไปในเวลานั้นก็ตามแต่เสียไว้เพื่อสั่งสมกําลังในงานต่อไปอันนี้จิตของเรามันจะพุ่งพุ่งเข้าทํางานก็ตามแต่การพักนี้เพื่อเป็นกําลังของจิตที่จะดําเนิน ง, งานต่อไปนี่มันถึงได้รู้ เวลาออกทางด้านปัญญานี่โถไม่มีในตำราว่านั้นเถอะเราก็เรียนมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงกล้าพูดได้ตามต้นกิเลสกิเลสประเภทไหนเป็นยังไงสติปัญญานี้เหนือกว่าเหนือกว่าตามต้นกันทันเผากันไปเรื่อยเรื่อยมันเป็นเองนั่นหละที่มันเพลินมันไม่ได้หลับได้นอน มันเพลินฆ่ากิเลสเพราะมันเห็นไัยอย่างสุดหัวใจแล้วถึงขนาดที่ว่ายังไงกิเลสไม่ตายเราต้องตาย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 แล้วไม่ใช่เดินอยู่วันหนึ่งวันเดียวนั่นสีมันเป็นประจำของมันอย่างนั้นพอเข้าทางจงกรมแล้วเท่านั้นแหละไม่มีเวล่ำเวลานาทีมายุ่งกวนมีแต่อันนี้ฟัดกันอยู่ภายในหมุนจิ้วจิ้วเราก็เดินก็เดินไปอย่างนั้นแหละแต่ทางนี้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเดินสเปะสปะไปตามเรื่องของมัน ทีนี้เดินไม่หยุดสิวันนี้ก็เดินวันหน้าก็เดินเดินหลายวันต่อหลายวันเดินจงกรมไม่รู้จักหยุดไม่รู้ว่าเหนื่อยว่าอะไรเพราะมันหมุนติ้วติ้วอยู่นี่งานอยู่นี้เดินไปบางทีเดินจมกรมนี้โน่นเซซัดเข้าไปในป่าโน่นโกลงครามในป่าโน่นเพราะจิตมันไม่ออก ก็มืดมัวไปหมดนะสี่นีแต่ขาก้าวไปก้าวไปก็เข้าไปโน้นแล้วออกมาอีกทีเอาอีกอยู่งั้นคำว่าน้ำท่าอะไรอะไรไม่สนใจทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นตะลุมบอนกัน แดงโรย้อนกล่าวถึงอุบายวิธีพิจารณาด้านปัญญาที่ท่านดำเนินเป็นลำดับมานี้ท่านเคยกล่าวไว้ในคราวอบรมพระเนมเสมอเสมอเพราะเป็นสิ่งที่ท่านเน้นหนักมากเฉพาะอย่างยิ่ง แก่นักบวชจะได้รู ii, ้จ SO e. ักวิธีพิจารณาอันนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นภายในใจดังนี้ก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี้ก่อนตอนอสุภนี่สำคัญอยู่มากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภนี่มันคล่องแคล่วแกล่า มองดูอะไรถ้ารุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้เต็มตามความจริงที่จิตกล้าหารนนะไม่ต้องให้มีผู้หญิงเท่าๆแก่ๆละให้มีแต่หญิงสา ว, สาวเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นนะ่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั่นได้โดยไม่มีราคาตันหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลย นั่นความอาถารของจิตเพราะอสุภะมองดูคนมีแต่หนังห่อกระดูมีแต่เนื้อแต่หนังแดง rou ไปหมดมันเห็นความสวยความงามที่ไหนเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็แบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยความงามมาจากไหนพอให้กำนัดยินดีเพราะฉะนั้น มันจึงกล้าเดินบุกเอาผู้หญิงสาว ส, สวยนั่นแหละบุกไปได้อย่างสบายเลยถึงคราวมันกล้าเพราะเชื่อกำลังของตัวเองแต่ความกล้านี้ก็ไม่ถูกกับจุดที่จิตอินตัวในขั้นกามราคาจึงได้ตำหนิตัวเองเมื่อจิตผ่านไปแล้วความกล้านี้มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกัน แต่ตอนที่ดำเนินก็เรียกว่าถูกในการดำเนินเพราะต้องดำเนินอย่างนั้นเหมือนการตำนิอาหารในเวลาอิ่มแล้วนั่แนแหจะผิดหรือถูกก็เข้าในทํานองนี้การพิจารณาอสุภะสุพังพิจารณาไปจนกระทั่งว่าราคะนี้ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปหมดไป และหมดไปเอาเฉยๆไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่บอกความแน่ใจเลยว่าราคะความกำหนัดอินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินงไฉกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยๆนี้ไม่เอา ถือจิตมันไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดให้รู้ชัดว่าหมดเพราะเหตุนั้นหมดในขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้สิฉะนั้นจิตต้องย้อนกลับมาพิจารณาหาอุบายวิธีต่างๆเพื่อแก้ไขกันอีกเมื่อหมดจริงๆ มันทำไมไม่ปรากฏชัดว่าหมดไปในขณะนั้นขณะนี้นะพอมองเห็นรูปมันทะลุไปเลยเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายนั่นไม่เป็นหญิงสาวหญิงงามคนสวยคนงามเลยเพราะอำนาจของอสุภามีกำลังแรงเห็นเป็นกองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำนัดยินดีเล่า ในเวลาจิตเป็นเช่นนั้นทีนี้ก็หาอุบายพลิกใหม่ว่าราคะนี้มันสิ้นไปจนไม่มีอะไรเหลือนั้นมันสิ้นในขณะใดด้วยอุบายใดทําไมไม่แสดงบอกให้ชัดเจนจึงพิจารณาพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภาเข้ามาบังคับพลิกอันที่ว่าอสุภาษ ที่มีแต่ร่างกระดูกนั่นออกเอาหนังหุ้มห่อให้สวยให้งามนี่เราบังคับนะไม่งั้นมันทะลุไปทางอสุภาพทันทีเพราะมันชำนาญ น, นี่จึงบังคับให้หนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามแล้วนำมาติดแนบกับตัวเองนี่วิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามรูปอ น, นันตนะ ติดแนบกับตัวติดกับตัวไปมาอยู่อย่างนั้นเอา้ามันจะกินเวลานานสักเท่าไรหากยังมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาหากไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีัรา วิธีการนี้มาปฏิบัติได้สีวันเต็มๆก็ไม่แสดงความกำนัดยินดีขึ้นมาแต่อย่างใดถึงจุดนี้ท่านกล่าวว่าทั้งๆที่รูปนี้สวยงามที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะยังเข้าหนังห่อกระดูกแต่เราบังคับไว้ให้จิตอยู่ที่ผิวหนังนี่พอถึงคืนที่สี่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 แง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนดยินดีเพื่อจะรู้ว่าความกำหนัดยินดีมันจะขึ้นขณะใดเราจะจับเอาตัวแสดงออกมานั้นเป็นเครื่องพิจารณาทอถอนต่อไปพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปกำหนดเข้าไปกำหนดเข้าไปแต่ไม่กำหนดพิจารณาอสุภะนะตอนนั้น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 มันมีลักษณะยุกยับชอบกลสติทันนะเพราะสติมีอยู่ตลอดเวลานีพอมีอาการยุกยับก็กำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆนั่นมันมีลักษณะยุกยับเห็นไหมจับเจ้าตัวโจรหลบซ่อนได้แล้วทีนี้นั่นเห็นไหมมันสิ้นยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้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 พอกำหนดอสุภะมันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีต้องกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่สับเปลี่ยนกันอยู่นั้นนี่ก็เป็นเวลานานเพราะหนทางไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องทดสอบด้วยวิธีการต่างๆจนเป็นที่แน่ใจจึงจะตัดสินใจลงทางใดทางหนึ่งได้ทีนี้